มีบุญมากแบ่งบุญให้กับหมู่ญาติของเรายิ่งมีบุญแล้วเนี่ยจากการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก่อนอื่นน้อมถวายเป็นเครื่องบูชาบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เราไม่มีโอกาสที่จะไปถวายพัะตาหารไม่มีโอกาสที่จะถวายจีวอไม่มีโอกาสจะถวายปัจจัยสี่ เราก็มีสิ่งที่มีค่าที่พระองค์แสดงเอาไว้ว่าจะบูชาพระองค์ให้ปฏิบัติบูบชาเราปฏิบัติธรรมครั้งใดก็ระลึกถึงบุญที่เราได้ปฏิบัตินั้นน้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมแล้วนําสิ่งที่เห็นนั้นบอกต่อทำที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ ผู้ที่ได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ได้มีอยู่ขอบูชาทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยเหล่านั้นขอบูชาครูบาอาจารย์ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาคำสอนเอาไว้มาสู่เรานะปัจจุบันนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมะอันมีค่านี้ที่จะถาพาให้สู่ความพ้นทุกข์บูชาครูบาอาจารย์บูชาผู้มีคุณในแผ่นดินนี้ ที่รักษาแผ่นดินที่มีศาสนาดํารงอยู่นี้เราเกิดในแผ่นดินแผ่นดินนี้มีศาสนานี้ก็ด้วยท่านทั้งหลายได้รักษาแผ่นดินนี้เอาไว้ได้รักษาสังคมที่เหมาะพอที่จะมีคําสอนนี้อยู่ขอบูชาผู้มีพระคุณที่รักษาแผ่นดินนี้ทุกๆ ท, ท่านและขออุทิศให้กับ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดในชาตินี้ชาตินี้เกิดขึ้นมาเป็นชาติที่สําคัญที่สุดเพราะว่าได้เกิดมาแล้วได้ฟังธรรมะอันมีค่าของพระพุทธองค์ร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้เป็นเพศชายเพศหญิงมีความเป็นมนุษย์จนกระทั่งมีความพร้อมพอจะมารับธรรมะได้ก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ขออุทิศบุญทั้งหลาย ที่เราได้ขอท่านจงมีส่วนทุกๆอย่างขออุทิศให้กับพ่อแม่ทุกภพทุกชาติหมู่ญาติทั้งหลายทุกภพทุกชาติเทวดาอารักษ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาพวกเราอยู่ด้วยก็ดีปกปักรักษาประเทศนี้อยู่ด้วยก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญที่เราได้อุทิศให้สัตว์ทั้งหลายเ่าใดที่มีทุกอยู่จงมารับรู้ว่าเราในที่นี้ทุกๆคน อุทิศบุญกุศลให้ท่านขอท่านจงมีความยินดีมีปีติมีจิตสมนัตมีความปลื้มใจปีติใจเหมือนได้ทําเองเราทั้งหลายในที่นี้มีความสุขใจอย่างไรในบุญที่เราได้ทําขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขใจในบุญที่เราได้ทําแล้วเหมือนได้ทําเองสัตว์ใดมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะอธิษฐานจิตของแต่ละคนที่จะตั้งมั่นอยู่ในกุลงามความดีศึกษาถ้อยคําของพระพุทธองค์ น, นำไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะรู้ทมเห็นธรรมพ้นทุกข์ด้วยกันทุกทางทุกคนนะตั้งใจอุอทิตยะาวริวาบุราป ร, ริปรเรนติสากรังห่วงน้มที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ ท, ทิธานุทธิธให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจฉิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพ้นทิธานปราธนาแล้วตั้งใจแล้วกิบ ป, ปะเมวัสมิ ช, ชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุรเรนตุสังกปาข้อกวนมดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรสอยาาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ง มณิชโชติระโยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิโยวิวัชันตุความจำไรทั้งปวนจมมราชไปสัพพโรคบินั ส, สตุโรคทั้งปวนคนท่านจงหายมาเตปวัิวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสิเสนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันละสุขะปละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้ากราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการรัชนีแลบววตุวสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน